นินททาไยต้นไม้กับความดีบางเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้อาจไม่เหมาะกับเด็กที่อายุตามกว่า13ปีในดินแดนไกลโพ้นของอาณาจักรปาลีอามีกษัตริย์ที่ทรงประทับอยู่กับพระราชธิดานามซีมาและพระราชบุตรนามวีและในอาณาจักรเดียวกันมีสาวนางหนึ่งอาศัยอยู่นางซารีนาพร้อมลูกสาวจัสตินและซาร่า ซารินายอมตรากตามทำงานหนักเพื่อได้เงินมาตั้งแต่ทำความสะอาจดจนถึงทำอาหารสิ่งนี้ทำให้ลูกสาวสองคนเธอเศร้าและช่วยเหลือเธอฉันรู้วิธีเจ๋งๆที่จะช่วยแม่ได้แล้วล่ะคิดอะไรอยู่นะฮะเราจะไปที่สวนกันฉันต้องการน้ำสองถังแม่โมที่ฉันทำงานให้พอใจในงานของฉันมากแต่ให้กวีมนตราให้ฉันมาสวดด้วยนะเทน้ำถังหนึ่งลงบนตัวฉันและฉันจะกลายเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม ดึงดอกไม้พวกนั้นอย่างระมัดระวังอย่าให้ใบมันชำ้ำหรือว่าก้านมันแตกออกมานะจากนั้นก็เทน้ำอีกถังบนตัวฉันให้หมดเลยแล้วฉันอ่ะก็จะกลับมากลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะ่ะเฉวเลยแต่เราบอกแม่ไม่ได้นะว่าเราหาเงินมาได้ยังไงเนะี่ยแม่ต้องมายินดีแนะ่ๆเลยละพวกเธอออกไปที่สวนพร้อมน้ำสองถังตะกร้าเปล่าสองใบซ า, าร่านั่งลง และเธอก็เริ่มร่ายมนออกมากลิ่นหอมของดอกไม้โคดอบอวนไปทั่วเมื่อฉันกลายเป็นต้นไม้และเติบโตจัสมินเทน้ำถังแรกลงบนพี่สาวเธอทันใดนั้นเธอก็กลายเป็นต้นไม้พร้อมดอกไม้ที่คอยส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วสวนจัสมินค่อยๆดึงดอกไม้ออกอยางระวังและตะกร้าทั้งสองใบนั้นก็เต็มไปด้วยดอกไม้ในอึดใจเดียว มันน่าจะทำเงินได้พอสมควรเลยแหละวันนี้น่ะเธอนำน้ำในถังใบที่สองราดลงบนต้นไม้และซาร่าก็กลายเป็นตัวเธอเองอีกครั้งฉันควรจะเอาดอกไม้พวกนี้ไปขายที่ไหนดีทำไมเธอไม่ลองไปดูหน้าประตูวังละ่ะเธออาจเจอคนที่ยอมจ่ายราคา ง, งามๆให้กับดอกไม้ ส, สวยๆพวกนี้ก็ได้นะโอ้ความคิดดีเลยซาร่านำตะกร้าดอกไม้ไปยังประตูเมืองและเริ่มเปิดการขาย ดอกไม้จ้าดอกไม้มาซื้อดอกไม้หอมกันสิจ้าอย่างเท่านั้นเจ้าหญิงซีมาทอดพระเนตรออกมาทางหน้าต่างพระองค์ทรงวิ่งมายังพระมารดาพระมารดาพีคะดอกไม้ข้างนอกพวกนั้นดูวสวยมากเลยทรงซื้อให้ลูกหน่อยได้ไหมพคะราชินีทรงพยักหน้าและรับสั่งให้ทหารไปเรียกเด็กสาวขายดอกไม้เข้ามาพวกเขามองไปที่ดอกไม้สวยๆนั้นกลิ่นหอมของมันอบอวลไปทั่ว เคยคิดราคาเท่าไหร่จ้าสำหรับดอกไม้ทั้งหมดพวกนี้ฟาบาทเพคะข้าขอน้อมรับเงินทั้งหมดตามภาพรประสงค์เราเป็นแค่คนจนธรรมดาเท่านั้นราชินีทรงมอบกระเป๋าใส่เหรียญเงินให้แกซาร่าผู้ที่กำลังดีใจขอบพระทัยเพคะองค์ราชินีซาร่ารีบกลับบ้านและนำกระเป๋าใส่เหรียญไปอวด น, น้องสาวจัสตินมองมันด้วยความตกตะลึงและตื่นเต้นว้าวแต่เราต้องยังไม่บอกแม่นะตอนนี้นะ ได้ไม่กี่วันถัดไปพวกเธอก็ขายดอกไม้ที่พระราชวังและรวบรวมกระเป๋าใส่เหรียญเงินมาได้สามใบในขณะเดียวกันเจ้าชายวีทรงสงสัยถึงที่มาของดอกไม้เหล่านั้นข้าสงสัยว่าดอกไม้พวกนี้มาจากไหนการข้าไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนเลยกลิ่นหอมดันจวนเชียวจากนั้นพระองค์ทรงเรียกกุมาที่ปรึกษาวังซึ่งพระองค์ทรงสนิทสนมด้วย กุมาอพะยะค่ะดอกไม้พวกนี้คือดอกอะไรกันแล้วพวกมันมาจากไหนเด็กสาวผู้มาที่นี่ทุกวันกับดอกไม้เหล่านี้พะยะค่ะพระคณิฐาทรงโปรดดอกไม้เหล่านี้ยิ่งนักโอ้งั้นเหรอข้าอยากรู้จังว่าเธอไปเอามาจากที่ไหนเธออยู่ที่ไหนกันเหรอกุมามอบเส้นทางแกเจ้าชายวีเพื่อไปยังบ้านเด็กสาววันถัดไปเจ้าชายวีเสด็จไปบ้านหลังนั้น พระองค์ทรงเห็นพี่น้องทั้งสองอยู่ในสวนพระองค์ทอดพระเนตรไปยังซาร่าเมื่อเธอแปลงกายเป็นดอกไม้ที่ออกดอกและจัสมินก็เด็ดเอาใบาออกมาจนกระทั่งซาร่ากลับเป็นมนุษย์ว้าวนั่นสุดยอดมากแถมเธอก็สวยมากด้วยสิพระองค์ทรงตะลึงงานกับความงามของเธอและดอกไม้ที่ท่งเปนหอมเจ้าชายเสด็จกลับวงังและตรัสแกกูมาในสิ่งที่เห็นเธอยอดเยี่ยมไปเลยกูมา ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีพระองค์ตรัสแกเขาเรื่องที่เธอเปลี่ยนเป็นต้นไม้แล้วกลับมาเป็นมนุษย์เลยโฉมพระพักพระองค์แดงก่าเมื่อตรัสไปด้วยนี่มันความรู้สึกอะไรกันนะความรักงั้นเหรอดูถ้าจะเป็นแบบนั้นพะยั่าเจ้าชายวี <laughs> การได้เห็นเจ้าชายวีทรงตกหลุมรักหญิงสาวทาให้กุมาทุลแกพระราชาและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟัง พระองค์ทรงชอบใจนะักที่ได้ยินว่าพระโอรสทรงมีความรักแม่พวกเธอจึงได้รับสาดเพื่อให้เขาวังคุณซารีนาคุณได้รับเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีสวยพระกรายาหารข้ามกับพระราชาวันพุ่งนี้ที่พระราชาวังหลวงพระองค์จะตัดเรื่องบุตรสาวคุณเมื่อกล่าวจบทหารก็ควบมาออกไปปล่อยให้แม่เด็กสาวยืนงงอย่างประหลาดใจจอยสมินสาระคะแม่ลูกทั้งสองคนไปทาอะไรมา ทำไมพระราชาถึงมีพระราชาองค์การเรียกตัวแม่และนี่มันเรื่องอะไรกันแม่สาวดอกไม้เกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาเออเรื่องของเรื่องก็คือพวกเธอหวาดกลัวและบอกแม่ทุกอย่างพวกเธอเล่าวิ ว, วัสาราสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้รวมทั้งถุงทองที่พวกเธอเก็บหอมรอมริบไว้พวกลูกทําแบบนี้ได้ยังไงทั้งที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ขอทอดค่ะแม่เราแค่อยากจะช่วยอะวันรุ่งขึ้น ซารีนาเดินไปยังท้องพระโรงพระราชวังหลวงเมื่อเธอเข้าไปเธอเห็นพระราชาพระราชินีประทับที่โตะ๊ะพร้อมอาหารที่ทอดยาวไปตรงหน้าด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมฝาพระบาทให้หม่อมฉันรับใช้อย่างไรดีเพคะลูกชายของเราตกหลุมรักซาร่าลูกสาวของเธอและหวังว่าจะได้แต่งงานกับเธอโปรดรับใบพลูและหมางนี้ไว้อันเป็นสัญลักษณ์ของการมั่นหมายของทั้งสอง สาริน่าโล่งใจเมื่อรู้ว่านั่นคือเหตุผลที่พระองค์เรียกเธอมาและเธอก็ยิ้มออกหมอ่อมฉันจะรับไว้เพคะฝ่าบาทฉันเป็นแค่คนจนๆและนี่ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเพคะยอดไปเลยงั้นก็เรียบร้อยนะพิธีก็ควรจะเริ่มขึ้นเลยงานเสกสมรสถูกจัดขึ้นครอบครัวทั้งสองยินดีปรีดาเมื่อวีและซาร่าเสร็จสมรสกันหลังจากพิธี ทั้งคู่ก็เสด็จกลับราชวังทีนี้เจ้าเป็นพระมเหสีของข้าแล้วข้าอยากให้เจ้าทำอะไรบางอย่างอะไรเหรอเพคะข้าอยากให้เจ้าจําแรงเป็นต้นไม้แสนสวยข้าอยากให้มันเกิดกลิ่นหอมไปทั่วปราสาทเลยอะไรกันนะไม่ต้องเปลี่ยนบางข้าหรอกข้าเห็นเจ้าแปลงกายเป็นต้นไม้กับตาของข้าเองเจ้าจะทำให้ใครเห็นล่ะถ้าไม่ใช่สามีของเจ้าเออเออก็ได้เพคะ สาราอธิบายเจ้าชายฟังถือความจําเป็นที่เธอต้องแปลงเป็นต้นไม้พวกเขาออกไปยังสวนพร้อมบัวรดน้ำสองถัง<ม>เจ้าชายวีทรงทําตามคําสั่ง<ม>พวกเขาทําแบบนี้ไม่กี่วันเจ้าหญิงผู้ทอดพระเนตรผ่านทางพระบัญชรทรงอิชาิษยาพวกเขาได้ใชยดกไม้สวยๆพวกนี้ทุกวันแต่ไม่เคยแบ่งมันให้กับข้าเลยเข้าจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วล่ะวันรุ่งขึ้นสีมาตรัจแกะพระมัรดาผู้ทรงอยู่กับเจ้าชายวี เจ้าชายจึงตรัสว่าถ้าพระมารดาทรงอนุ ญ, ญาตข้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธโอ้ดีเลยจ้ะงั้นดูแลเธอแล้วก็พาเธอกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะขอพระไทยพี่คะซาร่าไปยังสวนดอกไม้กับเจ้าหญิงซีมาและพระสหายพระองค์ทรงอยากอวดพระสหายกับการที่ซาร่าแปลงเป็นต้นไม้ได้พระองค์เสด็จไปที่ซาร่าและตรัสซาร่ า, าเธอน่แปลงกลายเป็นดอกไม้ได้ใช่ไหม อะไรกันน่ะไราสาระาฉันเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตพิเศษอะไรเลยอ๋อย่ามาโกหกหน่อยเลยฉันเห็นเธอนะทํามาตั้งหลายครั้งแล้วนะทําไมถึงจะทําให้เราดือไม่ได้ละ่ะเธอน่ะเห็นแก่ตัวจมัดเลยนะฉันพลาดแล้วจริงๆที่หลงมาที่นี่ด้วยนะซาร่าตอบตกลงอย่างเศร้าส้อยต่อคําบัญชาเจ้าหญิงเธออธิบายกับเจ้าหญิงถึงวิธีการที่ต้องทํา และเด็กสาวสองคนก็ไปตักน้ำจากลบธารมาสองถังจำเอาไว้นะว่าต้องระวังมากเลยตอนดึงดอกไม้ออกมาอย่าทำก้านหรือว่าใบเนะี่ยแตกหักเชียวนะเมื่อเธอบอกแบบนั้นเธอนั่งลงและเด็กสาวคนหนึ่งก็ราดน้ำถังหนึ่งบนตัวเธอย่างทรงเดชว้าวสวยจริงเลยจากนั้นฝนเริ่มตกหนักทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่ากึกกร้องไปทั่ว เด็กสาวผู้นั้นไม่สนใจสิ่งที่เธอถูกบอกในตอนแรกพร้อมกับทําก้าและกิ่งดอกไม้หักเพราะพวกเธอรีบดึงดอกไม้เอ้อถังน้ำเธอราดน้ำลงจากถังอย่างไม่ใหญ่ดีจากนั้นเร่งฝีเท้ากลับบ้านทันทีพฤติกรรมที่แสดงออกยังไม่สใส่ใจของเด็กสาวทําให้ซาร่าเกิดบาดแผลและรอยฟกช้ำที่แขนและขาทาให้เธอต้องเดินขยเยกทุกๆุกก้าวเอ้อ ความรู้สึกทั้งเจ็บทั้งกลัวในสิ่งที่เจ้าหญิงซีมากระทำต่อเธอทำให้เธอวิ่งหนีกลับบ้านหาแม่ทั้งที่เดินกับเพลขณะเดียวกันการได้เห็นซีมาไม่กลับมา ก, กับซาร่าทำให้พระราชินีเครื่องพัฒนไทยซาร่าหายไปไหนมานะฮะใครจะไปรู้ล่ะคะเราก็กลับบ้านมาปลอดภัยดีนี่ใช่ไหมล่ะคะเราจะบอกวีกันยังไงล่ะทีนี้ด้วยความกังวลและตกใจว่าจะบอกกับเจ้าชายยังไง ราชินีทรงอยากรู้สิ่งที่เจ้าหญิงทำลงไปบอกแม่มาว่าเกิดอะไรขึ้นนะพระราชินีทรงพยายามอย่างหนักเพื่อจะเข็นเจ้าหญิงแต่ทั้งหมดก็ป่วยการและหลังจากวันนั้นซาร่ากลับไปบ้านพร้อมพ่อขา้ายผู้ที่ใจดีพอจะพาเธอไปส่งที่บ้านขบับขึ้นแม่เลยนะคะยินดีเจ้าแม่หนูแม่ของเธอเศร้าเสียใจที่เห็นลูกสาวบอบช้าหนักเธอพาซาร่า เข้าบ้านในทันทีโอ้ลูกแม่เกิด อ, อะไรขึ้นกับลูกจ๊ะเนียซาร่าบอกแม่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอเรื่องที่ถูกทอดทิ้งไว้โดยเจ้าหญิงอย่าห่วงไปเลยนะลูกลูกไม่ต้องกลับไปยังปราสาทอันเลวร้ายแห่งนั้นอีกแล้วแม่เธอค่อยๆรักษาบาดแผลและดูแลเธออย่างดีในอีกไม่กี่วันถัดไปกลับไปที่ปราสาทเจ้าชายทรงรอคอยการกลับมาของซาร่าอยู่หลายวัน และทรงตัดสินใจออกไปตามหาเธอด้วยพระองค์เองหม่อมฉันต้องตามหาพระมเหสีให้เจอก่อนกลับบ้านให้ได้เลยไปเลยลูกพ่อเอาคนของเราไปด้วยพวกเขาจะได้ช่วยตามหาได้เร็วขึ้นเจ้าชายพร้อมคนของพระองค์ขับวา ม, ม้าหาทั้งอาณาจักรพวกเขาค้นหาเป็นวงกว้างจนกระทั่งมาถึงบ้านของเธอเธออยู่นั่นเองฉันเป็นห่วงแทบแย่ฉันตามหาเธอทั่วทุกที่เลยนะฝ่าบาทมาที่นี่ทำไมกัน ไม่รู้ดูว่าน้องสาวของท่านทำอะไรกับลูกสาวของฉันข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้โปรดให้อภัยข้าจะทําให้มั่นใจว่าน้องสาวข้าจะรับผิดชอบอย่างสาสมที่รักได้โปรดกลับพระราชวังกับข้าเอถอะเธอกลัวเธอกลัวว่าเธอจะต้องเจ็บช้ำอีกและเธอก็กลัวว่าเธอจะไม่ถูกยอมรับในฐานะเจ้าหญิงแถมถูกเรียกว่าเจ้าหญิงขาเป๋แห่งอาณาจักรไม่นั่นไม่เป็นไรข้ารักเธอในสิ่งที่เธอเป็นและมันจะเป็นแบบนั้น ข้าจะไปกับฝ่าบาทด้วยงันไขเดียวเท่านั้นฝ่าบาทไม่จาเป็นต้องทำอะไรน้องสาวข้ายังโทษให้พระองค์แล้วแค่นั้นเหรอจบแล้วเหรอซาร่าถูกนำตัวกลับปราสาทขณะที่พระราชาและราชินีทรงปิติเมื่อทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงโอ้ซาร่าได้โปรดให้อภัยข้าด้วยนะข้าไม่ควร ด, ดึงดอกไม้ออกมาเลยนะข้าจะโง่เขลายิ่งนักข้าเมียทำร้ายเจ้าเลยนะไม่เป็นไรตั้งแต่นั้น วีและซาร่าทรงปกครองอาณาจักปรปาิีอาอย่างสงบสุขและเจ้าหญิงก็ทรงเป็นที่รักต่อทั้งอาณาจักรโดยเฉพาะวีผู้ที่ทรงยอมรับเธอแม้ว่าเธอจะพิการทรงมอบความรักเก่เธอและปฏิบัติต่อเธอด้วยความเท่าเทียม